ตอนข้อคิดของผู้แผ่ศาสนาในการเผยแผ่คำสอนของศาสนานักเผยแผ่จะพบความลำบากเป็นพิเศษในการตอบคำถามของคนต่างชาติต่างศาสนาและคนไทยด้วยกันนี่เองแต่เป็นผู้เพิ่งเริ่มหันเข้าศึกษาพุทธศาสนาจินลำบากนั้นอยู่ตรงที่ว่า เราจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการถแถลงให้เขาทราบหลักปฏิบัติและให้เกิดความสนใจอยากรู้และอยากปฏิบัติ ด, ด้วยสมมติว่าคนที่เริ่มสนใจพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวนั้นถามท่านว่าชาพุทธมีแนวทางปฏิบัติชีวิตอย่างไรหรือถามว่าพระพุทธเจ้าทรงวางแนวดาเนินชีวิตไว้ให้ชาพุทธอย่างไร ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจริงอยู่ปัญหาเหล่านี้คนที่ไม่ใช่นักเผยแผ่ธรรมะอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กลงได้เป็นมหาป ร, ริยแล้วจะไปกลัวอะไรขวาบทไหนมาตอบก็ได้ที่คิดอย่างนี้เป็นการดูเบาในงานเผยแผ่เกินไปคิดว่าตัวเองเก่งตรงที่ไม่มีใครค้านเท่านั้นเองที่จริง การเผยแผ่ธรรมานั้นเราต้องพูดให้เขาพูดไม่ใช่พูดให้เขานิ่งพูดไปแล้วเขานิ่งเสียไม่อยากซักไม่อยากคุยมันจะได้ผลอะไรใครๆก็ทำได้การยกหมวดธรรมขึ้นตอบคำถามดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าทดลองมาม า, มากแล้วได้ผลไม่เป็นที่พอใจส่วนมากทำให้ความเห็นของผู้ถามเขวไปเสียเช่น เมื่อข้าพเจ้ายกใรศกขาขึ้นตอบพ่อบอกข่าว่าชาวพุทธต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาผู้ถามกลับเห็นว่าแต่เช่นนั้นพุทธศาสนาก็เหมาะกับชีวิตนักบวชโดยตรงบางครั้งข้าพเจ้ายกมรแปดขึ้นตอบเขากลับเห็นว่าพุทธศาสนาก็คือประมวลวิธีเล่นสะกดจิตเหมาะสาหรับโยคี แต่ครั้นข้าพเจ้ายกเอาประโยชน์สขึ้นตอบบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราขยันหาทรัพย์ขยันเก็บทรัพย์รู้จักจ่ายทรัพย์และคบมิตรที่ดีและอื่นๆเขากลับเห็นว่าวิชาเหล่านี้ก็มีสอนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมแล้วเพราะเป็นเรื่องพื้นๆโตแล้วก็รู้เองเสียด้วยซ้ำนี่แหละท่าน ความลำบากในการเผยแผ่ธรรมะพูดไปน่ะพูดได้แต่ข้อสําคัญคนฟังหลบไปเสียหมดทางพระเวลานี้มีแต่โรงเรียนนักธรรมแต่ยังไม่มีโรงเรียนนักเทศคิดว่าถ้าได้นักธรรมแล้วก็จะเป็นนักเทศเองเป็นความคิดผิดถนัดแต่เมื่อข้าพเจ้าได้มาศึกษารายละเอียดในมงคล38แล้ว รู้สึกว่าความยุ่งยากดังกล่าวนั้นได้หมดสิ้นไปทีเดียวข้าพเจ้ายกมงคล38นี่แหละขึ้นตอบตอบได้องค์อาจเลยว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงวางแนวปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิตจิตใจเป็น38ขั้นด้วยกันใครก้าวไปได้ครบ38ขั้นแล้วเป็นอันบรรลุผลสุดยอดของศาสนานี้เท่านี้ก็สิ้นเรื่อง และความจริงมงคล38ก็คือทางก้าวหน้าของชาวพุทธโดยตรงเหมือนขึ้นบันได3าขั้นท่านเรียงลำดับไว้ให้เรียบร้อยครบถ้วนสละสลวยทั้งทางภาควิชาทั้งทางภาคปฏิบัติข้าพเจ้าเองก็ร่ำเรียนวิชาทางนี้มากพอสมควรยังไม่เห็นมีหมวดทมหมวดใดเลยที่ถอดหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา มารวมเป็นหมวดเดียวกันทั้งเรียงลำดับไว้ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนหมวดมงคล38ดนี้กระเบรเจ้าอยากให้ท่านได้พินิช์แผ่นภาพมงคลชีวิตนั้นอีกสักครั้งแผ่นภาพมงคลชีวิตเป็นแผนขั้นบันไดของมงคลสาสเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งก็คือมงคลข้อที่หนึ่ง เป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่30สนธนาธรรมส่วนบันไดขั้นที่31เป็นการรวมมงคลอีก8ข้อตั้งแต่ข้อ31ถึงข้อ38สรุปแล้วมีทั้งหมด31ขั้นแบ่งเป็น3ามช่วงช่วงแรกเริ่มสร้างชีวิตคือมงคลข้อที่1 ถึงข้อที่18ช่วงที่สองคือช่วงปรุงจิตโดยตรงคือมงคลขั้นที่19ขึ้นไปจนถึงมงคลขั้นที่30สช่วงสุดท้ายคือมุ่งตรงพระนิพพานคือขั้นสุดท้ายที่รวมมงคลตั้งแต่ข้อ31ถึงข้อ38 ไหนๆก็ได้รำพันถึงงานนักเผยแผ่มาแล้วขอพูดอะไรไว้ให้เป็นข้อสังเกตแก่นักเผยแผ่อีอกนิดระหว่างปี2499ถึง2500ซึ่งเป็นปีที่การเมืองในประเทศไทยกำลังปั่นป่วนสุดเหวี่ยงมันมีทั้งคลื่นมีทั้งลมท่านผู้อ่านก็คงจะจำได้ข้าพเจ้าอยากเรียกยุคนั้นว่ายุคพระเต็มบ้าน อันถานเต็มเมืองคือเราเตรียมฉลองยีหศตวรรษเป็นการมโหฬารแต่บรรดาอันถานก็กำเริบทั่วแผ่นดินระยะนั้นข้าพเจ้าได้รู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งและได้พบปะสนทนากันหลายครั้งในการสนทนานั้นเขาต้องการรู้จักพุทธศาสนาจากข้าพเจ้าเรื่องสนทนามักจะเป็นดังนี้ พระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธทำความดีใช่ไหมเขาถามถูกแล้วพระองค์สอนให้ทุกคนทำความดีข้าพเจ้าตอบทำดีนั้นจะทำมากน้อยสักเท่าไหร่เขาถามเราถือหลักว่าต้องก้าวหน้าไปในทางดีไม่หยุดยั้งจนกว่าจะบรรลุนิพพานพระพุทธเจ้าของเราสอนให้ก้าวหน้า แม้ผู้ที่ทำความดีได้เล็กน้อยแล้วหยุดอยู่แค่นั้นพระองค์ก็ทรงตาหนิว่าเป็นผู้ถอยหลังข้าพเจ้ากล่าวทางที่จะก้าวไปสู่ความดีอย่างสุดยอดนั้นมีข้อปฏิบัติอย่างไรเขาถามมีข้อปฏิบัติสูงขึ้นตามลำดับรวม38ขั้นด้วยกัน38ขั้นนั้นเป็นจานวนทั้งหมดหรือถูกแล้ว แต่ว่าแต่ละขั้นมีเงื่อนไขซึ่งเป็นรายละเอียดอยู่ขั้นต้นที่สุดจะต้องทำอย่างไรต้องเลิกคบหาสมาคมกับคนพานน่าจะห้ามไม่ให้เป็นคนพานด้วยอ๋อการที่ท่านห้ามคบคนพานก็เป็นการห้ามประพฤติเป็นพานด้วยแล้วแต่มันจะเป็นคนละข้อห้ามไม่ใช่หรือถ้าสมมุติว่า ครูห้ามเราไม่ให้แต่ต้องเสื้อผ้าที่เปื้อนของโสโครกแล้วยังจะจําเป็นที่เขาจะต้องออกข้อห้ามไม่ให้เราสวมเสื้อผ้าเช่นนั้นอีกหรือข้าพเจ้าแถลงเหตุผลแบบอุปมาโดยคําถามนี้ทําให้เขารับรองในเหตุผลอย่างเรียบร้อยและแสดงความสนใจในหลักธรรมเป็นอย่างมากหลายวันต่อมามันเป็นระยะที่หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ กำลังลงข่าวการอรารวาสของคนอันธพาลทั่วไปเพื่อนของข้าพเจ้าผู้นั้นได้มาพบกันอีกและเขายังสนใจมงคล38อยู่ตอนหนึ่งของการสนทนามีว่าบันไดขั้นแรกของชาวพุทธคือการไม่เป็นพานไม่ใช่หรือเขาว่าถูกแล้วข้าพเจ้าตอบถ้าเะ่นนั้น เหตุใดพุทธศาสนาจึงปล่อยให้คนถือศาสนาเป็นพานกันมากตามที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเขาว่าอ๋อศาสนาไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นคนพานแต่เขาเป็นของเขาเองข้าพเจ้าตอบแต่เขาก็เป็นคนถือศาสนาพุทธด้วยไม่ใช่หรือเขาถามถูกแล้วเรายังนับว่าเขาเป็นสมาชิกในศาสนา แต่เขายังปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาไม่ได้แม้แต่ขั้นเดียวข้าพเจ้าว่าก็เมื่อเขาปฏิบัติตามศาสนาไม่ได้แม้แต่ขั้นต้นขั้นเดียวอย่างนี้ศา ส, สนาก็ควรจะประนามเขาว่าเป็นคนนอกศาสนาเสียการที่เขาเป็นคนผานและศาสนายังยอมรับว่าเขาเป็นสมาชิก ข, ของศาสนาอยู่จะมีเป็นการคบกับคนผานด้วยหรือ เขาปล่อยปัญหาทีเด็ดตลบหลังข้าพเจ้ายังมีแผนความคิดเช่นท่านว่านี้มีอยู่ในบางศาสนาซึ่งใช้วิธีประนามคนนอกศาสนาอย่างเสียหายข้าพเจ้าขอถามท่านว่าถ้าท่านอยู่บนบ้านแล้วเรียกเด็กทารกลูกของท่านซึ่งยืนเกาะเชิงบันไดยอยู่ให้ขึ้นมาหาท่านบนบ้านแต่เด็กคนนั้นขึ้นไม่ไหว เพราะแรงน้อยเขาขึ้นบันไดไม่ได้เลยแม้แต่ขั้นเดียวเป็นการขัดคําสั่งของท่านในกรณีเช่นนี้ท่านควรจะประนามให้เขาเสียผู้เสียคนตัดความเป็นพ่อเป็นลูกไปเลยหรือจะให้เวลาแกะเขาต่อไปอีกก่อนข้าพเจ้าถามก็น่าจะให้เวลาเขาก่อนเขาตอบเพราะเหตุใด ท่านจึงไม่คว่าบาตเขาเสียข้าพเจ้าว่าเพราะเขายังเด็กเมื่อโตขึ้นเขาก็จะขึ้นบันไดได้เองเขาตอบก็เช่นเดียวกันคนที่ยังก้าวขึ้นมงคลชีวิตไม่ได้เลยแม้แต่ขั้นเดียวก็เพราะกําลังปัญญาของเขายังอ่อนเมื่อเขามีปัญญาแก่กล้าเขาก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่มงคลชีวิตได้เหมือนกับคนอื่นๆ ข้าพเจ้าว่าเป็นนันเสร็จไปอีกหนึ่งปัญหาอีกครั้งหนึ่งเป็นปัญหาเรื่องคนบวชเป็นพระแล้วสึกเขาเข้าใจกันว่าศึกนั้นเป็นการเสียหายหน้าตำหนิใหญ่โตข้าพเจ้าชี้ให้เขาดูว่าการบวชเรียนนั้นเรียกว่าการประพฤติปรหมจรรย์เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สามสิบสองสูงมากทีเดียว เป็นจุดมุ่งสู่นิพพานโดยตรงถ้าเป็นการเรียนก็คงจะเป็นขั้นทาปริญญาทีเดียวฉะนั้นคนที่มีสมรรถภาพพอดีพอร้ายจึงสู้ไม่ไหวการบวชแล้วศึกก็เท่ากับไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นสูงสุดแล้วแต่เมื่อพื้นความรู้เดิมไปไม่ไหวก็จำเป็นต้องลดชั้นตัวเองลงมาเพื่อเตรียมตัวเสียใหม่ จนกว่าจะมีพื้นความรู้ดีพอแล้วค่อยสมัครเข้าสอบอีกข้าพเจ้าขอถามว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไม่ยอมให้นักศึกษาสอบตกเลยเมื่อผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วแม้จะมีความรู้งูงูปลาปลาก็ให้ปริญญาจนได้เพราะถือว่าการที่ปล่อยให้นักศึกษาสอบตกเป็นการเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย กับอีกมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งํำการสอบนักศึกษาอย่างเคร่งครัดใครความรู้ไม่ดีพอก็ให้ตกไปเพื่อเรียนเพิ่มเติมแล้วจึงเข้ามาสอบใหม่ต้องเป็นผู้มีความรู้ครบถ้วนอย่างเพียงพอจึงจะให้ได้ปริญญาขอถาบว่านักศึกษาที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยทั้งสองนี้คนที่ออกจากมหาวิทยาลัยไหน ที่น่านับถือมากกว่ากันคนที่แม้จะสอบตกแล้วแต่เพียรสอบอีกจนได้กับคนที่สอบไม่ตกเลยแต่ถูกยกชั้นให้ง่ายๆใครน่านับถือกว่ากันข้าพเจ้าตั้งข้อเปรียบเทียบให้เขาคิดอย่างนี้และในที่สุดเขาก็เห็นคล้อยตามในมติที่ว่าการที่พระพุทธศาสนา อนุญาตให้คนบวชแล้วศึกนั้นเป็นผลดีแก่ศาสนาและแก่ผู้นั้นเองมิใช่พุทธศาสนาได้หอบเอาความเลอะและเข้าไว้โดยปราะศะจากเหตุผลอย่างที่เขาคิดมาแต่เดิมเท่าที่ยกตัวอย่างผลงานบางอย่างมาเล่าไว้นี้เพื่อต้องการยืนยันว่าธรรมะหมวดมงคลสาดนี้ เป็นประมวลแนวปฏิบัติทางศาสนาไว้อย่างครบถ้วนและเรียงลำดับไว้ดีมากง่ายแก่การศึกษาและปฏิบัติอย่างยิ่งและเฉพาะอย่างยิ่งในการโชว์แผนปฏิบัติของชาวพุทธแก่ผู้ที่เริ่มสนใจในศาสนาของเรายึดหลักมงคล38นี้ไว้ได้ผลแน่ข้าพเจ้าอยากจะย้ำไว้สำหรับผู้เผยแผ่คาสอนของศาสนาอีกครั้งว่า การที่บางท่านเข้าใจว่ า, าศาสนาของเราเต็มไปด้วยหลักศจธรรมมีตั้งแปด0มืสี่พันพระธรรมขันธ์จะหยิบเอาตรงไหนออกแสดงก็ได้ทั้งนั้นความคิดดังนี้เป็นความคิดที่ดูเบาในงานนี้เกินไปถ้าสมมติว่าเราอยู่คฤหาสน์มหือมาสูงสักเก้าชั้นสิบชั้นเมื่อมีคนภายนอกมาร้องถาม อยากจะรู้ว่าในปราสาทของเรามีอะไรสวยงามน่าใช้บ้างท่านอยากโชว์เขาแต่เปิดหน้าต่างชั้นสูงชะโงกหน้าลงมาคุยกับเขาว่าตึกชั้นสูงอย่างนี้ใหญ่อย่างนี้ก็ทำให้แขกเอื้อมระอาสายหน้าหนีไปเท่านั้นแต่ถ้าท่านเดินลงจากชั้นบนแล้วเปิดประตูชั้นล่างตรงที่ใกล้เชิงบันไดให้เขาเห็นเชิงบันไดตึก เก้าชั้นแล้วเขาก็จะขอร้องหรืออย่างน้อยก็นึกจะลองขึ้นไปชมชั้นบนดูบ้างเช่นเดียวกันการที่เราเอาไตรสิขามรดก8ออกหยิบยื่นให้แก่คนที่เริ่มสนใจในศาสนาก็เหมือนกับเราเปิดหน้าต่างตึกชั้นบนโชกหน้าลงมาคุยกับแขกนั่นเองและถ้าเราเอาทิตฐธรรมิกกับประโยชน์ออกโชว์ ก็เท่ากับเราชี้ให้เขาดูพืชผักสวนครัวหลังตึกใหญ่เท่านั้นซึ่งก็เหมือนกับผักที่ไร่ตะแป๊ะคนหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเสนอมองคล38นี้แก่เขาจะมีค่าเหมือนเราเปิดห้องรับแขกชั้นล่างต้องรับแขกให้เห็นเชิงบันไดตึกของเราแล้วก็บอกเขาว่าก้าวขึ้นบันไดไป38ขั้นจะถึงชั้นสูงสุดอากาศดี ไม่มีทุลีฝุ่นผงไม่มีเสียงรบกวนและอื่นๆแล้วแต่ท่านจะพนานาไป